เคยเห็นคนที่เอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองนะซ้ําแล้วซ้ําเล่าหรือไม่บางคนก็ทุบ อ, อกตัวเองนะเอากวาปั้นทุบอย่างแรงหลายครั้งที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็เพราะว่าคนปกติตเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นกันแต่ก็มีนะคนที่ทําอย่างเนี้แล้วก็เป็นนักปฏิบัติทำด้วยดูมันขัดแย้งกันเองนะ คนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็คิดว่าเขาจะมีอาการสงบมีความสุขสงบกับการปฏิบัติธรรมแต่ทาไมน่จึงมีกิริยาการอย่างนั้นได้กิริยาการอย่างนั้นมันก็แสดงถึงความหลงนะความหลมตัวแต่เร า, าปฏิบัติเรามาปฏิบัติก็เพื่อความรู้สึกตัวไม่ใช่หรอือ ปฏิบัติเพื่อได้รู้จักตัวเองแต่ทําไมเนี่ยจึงลงเอยแบบนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่เห็นทําแบบนั้นเลยแต่ทําไมคนที่มาปฏิบัติทำแท้ๆเนี่ยจึงเอารองเท้าฟาดหัวตัวเองหรือว่าทุบ อ, อกตัวเองอันนี้ก็เป็นเพราะ เขาคาดหวังอะไรบางอย่างจากการปฏิบัติแล้วพอไม่ได้ก็เลยเกิดความผิดหวังเกิดความหงุดหงิดเกิดความโมโหคาดหวังอะไรนะ mm hmm. เช่นคาดหวังว่าปฏิบัติแล้วนะ mm hmm. มันจะไม่มีความคิดมารบ ก, กวนปฏิบัติแล้วจะมีความสงบ หรือบางคนก็คาดหวังกับปฏิบัติแล้วจะมีความรู้สึกตัวรู้ทันความคิดได้เร็วเห็นอารมณ์ได้ไวจากคนนี้พอปฏิบัติแล้วเนี่ยความคิดมันก็ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยไม่สงบสักทีท้านั้านที่ก็พยายามจะบังคับจิตไม่ให้คิด พยายามควบคุมความคิดแต่มันก็ยังเผลอคิดอยู่นั่นแหละพอเหตงที่เกิดขึ้นนะมันไม่เป็นไปดังความคาดหวังก็เลยเกิดความหมึดหนิดเกิดความผิดหวังหรือบางคนเนี่ยก็คาดหวังว่าปฏิบัติแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวแต่ก็พบ ว, ว่า มันเผลอมันหลงมันใจลอยเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเลยหรือคาดหวังว่าเนี่ยจะมีความสึกตัวต่อเนื่องแต่ว่ามันก็โทธทธหดทหายหายพอสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเป็นจริงมันไม่ตรงกับความคาดหวังยอมรับไม่ได้ เกิดความผิดหวังเกิดความโมโหโกรธายิ่งอยากจะให้ใจมันเป็นอย่างที่คาดหวังอย่างที่คิดแต่ว่ามันไม่เป็นซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะอยากได้อะไรก็มักจะไม่ค่อยได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้มันก็เลยเกิดความหงุดหงิด เ, ดเกิดความโมโหโกรธา จนลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือไม่ควรทําคือการทําร้ายตัวเองก็เกิดขึ้นเอาลองาตฟาฟาดหัวฟาดอยู่นั่นแหละทำมคิดมากเหลือเกินทำคิดมากเหลือเกินหรือไม่กระทุบออกตัวเองทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกนีโกรธตัวเอง อันนี้ผสมความลืมตัวด้วยให้ความคาดหวังนี่มันก็เป็นโทษกับนักปฏิบัตินะมันต้องระวังแม้สิ่งที่คาดหวังมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้คาดหวังว่าจะรวยไม่ได้คาดหวังว่าจะมั่งมีก็แค่หวังให้ใจสงบ ไม่มีความคิดลบกวนไม่มีความฟุ้งซ่านหรือมีความสุกตัวพอมีความคาดหวังแล้วความจริงมันไม่ตรงความคาดหวังก็ยอมรับไม่ได้แต่ถ้ายอมรับได้นี่มันไม่ทุกนะยอมรับได้นี่มันความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะเลย มันจะไม่หัวเสียมันจะไม่หงุดหงิดผิดหวังจนลืมเนอ้อลืมตัวในการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราพยายามลดความคาดหวังหรือรู้ทันหรือรู้ตัวว่ามีความคาดหวังแล้วก็รู้จักวางมันลงบ้าง มันจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วก็เรามาปฏิบัตินะก็เพื่อที่จะเข้าใกล้ความไม่ทุกข์ไม่ใช่เลยแต่ทำไมปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจึงกลับกลายเป็นสร้างทุกข์ให้กับตัวเองทุกข์กว่าคนที่ไม่ปฏิบัติซะอีกนะดูมันย้อนแ ย, งย้งกันนะอันนี้เพราะความคาดหวัง แล้วถ้ามันสมหวังก็ดีไปแต่ว่าบ่อยครัง้งความคามหวังบบของเรามันสวนทางกับความเป็นจริงสวนทางกับธรรมชาติของใจเพราะว่าใจเนี่ยนะมันเราควบคุมไม่ได้อยากให้มันไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจแต่ความคิดมันก็ผุดขึ้นมา อยู่เรื่อยๆเพราะนี่เป็นธรรมชาติของใจหลวปูดดูท่านบอกเนี่ยความคิดมันก็มันกาลมหายใจเนี่ยห้ามไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยอย่าปฏิบัติเพื่อดักความคิดนะเอาแค่ว่ารู้อารมณ์คือรูปรลกินเสียงสัมผัสหรือรมอารมณ์แล้วเมื่อจิตมันปรุงแต่งก็รู้ทันปรุงแต่งนี่ก็หมายถึงว่า ชอบไม่ชอบผักใสหรือไหลาตามก็รู้ทันเท่านี้ก็พอแล้วเวลาทำเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะก็แม้เจตนาจะดีแม้จะมีความตั้งใจแต่ก็อย่าให้ความคาดหวังมันมาเป็นใหญ่รวมทั้งความยึดความอยากแม้สิ่งที่อยาก สิ่งที่คาดหวังจะดีก็ตามหลวงพ่อเสถียนท่านะเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาใครมาปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะแนะนำนะให้ทําเล่นๆทําเล่นๆทําเล่นเๆก็คือทําโดยไม่คาดหวังทําโดยไม่หวังผลหรือไม่เอาจริงเอาจังนะกับผลที่เกิดขึ้น เหมือนกับเวลาเราเล่นบอลถ้าเราเล่นแบบเล่นเล่นหรือเล่นหมากุกเล่นหมากรุกเนี่ยถ้าเราทําเล่นเล่นจะแพ้กี่รอบกี่รอบก็ไม่ได้หัวเสียอะไรพอไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องชนะก็ทําไปแบบเล่นเล่น ให้การทำอะไรแบบเล่นๆหมายถึงการที่ทำอะไรโดยที่ไม่คาดหวังหรือผลมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่หมุดหงิดหัวเสียกับมันเนี่ยนสำคัญมากการปฏิบัตินะม่ช่วยทำให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาหรือว่ามาเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟ หรือว่ายอมรับความหลงที่มันเกิดขึ้นอาการของใจที่ไม่เป็นไปดังความคาดหวังพอเรายอมรับได้นะเออมันก็เบานะไอ้ความยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคาดหวังนี่มันจะว่าไปมันก็เป็นปฏิปักษ์กันนะเพราะว่าถ้าเราคาดหวัง อะไรก็ตามพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเราก็จะยอมรับไม่ได้ให้สองคำที่สำคัญมากนะคาดหวังกับยอมรับเราต้องรู้จักเข้าใจว่ามันมีผลอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรต่อจิตใจความคาดหวังก็จะทำให้เรามีกำลังมีกาลังใจในการที่จะทำมีแรงผลักแต่ถ้าเกิดผลที่ เกิดขึ้นหรือความเป็นจริงที่ปรากฏไม่ตรงกับที่คาดหวังมันก็จะยอมรับไม่ได้พอยอมรับไม่ได้มันก็เกิดอาการหงุดหงิดหัวเสียเกิดความทุกข์ขึ้นมาและพอทุกข์แล้วเช่นโกรธมันก็จะลืมตัวจนกระทั่งทำร้ายตัวเองเอาท้องแต่ฟาดหัวหรือไม่ก็ทุกข์ออกตัวเองแต่บางคนก็ อามริการแน่นหน้าอกบางคนตัวเกร็งตัวแข็งทั้งตัวเลยบางคนยกมือสร้างจังหวะแล้วค้างน้ำหนีนะยกแล้วค้างค้างเป็นชั่วโมงเลยสองสามชั่วโมงก็มีอ่านี่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเกิดขอ้กับ น, นักปฏิบัตินั่นแหละ เรายอมรับสิ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความคาดหวังน้อยหรือไม่มีความคาดหวังหรือไม่ฉะนั้นก็เพราะว่าเราพบว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะมันมันน้อยกว่ามันเบาวกว่าที่คุณหญิงก็เจออย่างใกล้ๆ ก, กับผู้หญิงที่ทุบ อ, อกตัวเองเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงนะ แล้วก็อึดอัดมากการปฏิบัตินะหลังจากที่ปฏิบัติมาสามวันแล้วมันรู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าความคิดมันเรียกว่าทะลักทลายมาไม่หยุดไม่หย่อนจะจะหนีความคิดก็หนีไม่ได้จะออกไปเดินเล่นออกไปดูหนังฟังเพลงก็ทำไม่ได้เจอความคิดที่มันรบกวนจิตใจแล้ว บังคับมันไม่ไหวแน่นหน้าอกมากอึดอัดอยจะกรีดร้องแต่พอเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งทุบหน้าอกตัวเองนี่โอเคบอกแโล่งเลยนะเพราะตอนนั้ น, นได้คิดแล้ว่าโอยไอ้เรานี่เบากว่าเขาเยอะเลยไอ้เขานี่หนักกว่าเราเยอะเลยจริงๆแกไม่ใช่เขาบอกเราใช่เขาบอกกูนะโอ้มันหนักกว่ากูเยอะเลยนะ กูนี่โชคดีที่ไม่ยากอย่างนั้นนะพอเห็นอย่างนี้นะมันเบาเลยนะไอความอัดอั้นตันใจแน่นหน้าอกนี่มันที่อยากจะกลิ่นล้อมันหายไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ายอมรับได้แล้วไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองยอมรับได้แล้วยอมรับได้เพราะอะไรเพราะว่าเบากว่าคนอื่นเยอะเลย หลายคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่มาปฏิบัติธรรมนะบางทีบางคนก็เจอความทุกข์ยากความลำบากอย่างเด็กบางคนนะรองเท้าไม่มีใส่น้อยอกน้อยใจที่ไม่มีรองเท้าใส่แต่พอไปเห็นเด็กขาด้วนเนี่ยกำลังขอทานอยู่เลิกบ่นเลยนะ เพราะอะเพราะยอมรับได้ยอมรับได้กัสบสภาพเดี๋ยวเรับได้พอเห็นว่าเอ้ยเรานี่ยังโชคดีกับเขาเยอะนะเรายังมีเท้าเพียงแต่เราไม่มีรองเท้ากันนะนอกปฏิบัติบางคนนะก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะเวลาเครียดมากๆนี่เห็นคนหนึ่งเหนักกว่าเราโอโุ่นเบาเลยที่เบานี่ไม่ใช่ความไม่ใช่เพราะความเพราะจิตมันสงบนะจิตมันก็ยังไม่สงบมันยังเหมือนเดิมแต่ว่า มันยอมรับได้ไอ้การยอมรับได้มันนะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมากนะถ้าเรารู้จักฝึกแล้วในการปฏิบัติเนี่ยเราจะยอมรับได้ง่ายนะถ้าเราอนุญาตให้รอะไรมันเกิดขึ้นได้กับใจบอกตัวเองว่าเนี่ยเราอนุญาตให้ ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้ความเครียดเกิดขึ้นได้ความหลงเกิดขึ้นได้บอกกับตัวตั้งแต่แรกๆแต่เนินๆนะยอมอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้พระเจ้าเปรียบนะร่างกายคนเราเนี่ยมันเหมือนกับศ า, าลาริมทางนะศ า, าลาริมทางเนี่ยคนที่มาพักมันก็มีได้ทุกประเภท มีทั้งเศรษฐีมีทั้งบณุญพกมีทั้งพระนักบวชมีทั้งผู้ร้ายโจรมีทั้งพ่อค้ามีทั้งชาวนาชาวไร่มีทั้งคนแข็งแรงมีทั้งคนป่วยคนพิการอันนี้พระองค์ตัดไว้เพื่ออธิบายว่าไอเวทนาต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้กับร่างกายเราไม่สามารถจะเลือกได้วจะต้องมีแต่สุขเวทนา ความสบายอย่างเดียวไอ้ความทุกข์ความปวดความเมื่อยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉนั้นอย่าอย่าปฏิเสธมันยอมรับมันซะซึ่งถ้าเราเอาระมานี้มาใช้กับใจก็ได้เหมือนกันนะใจของเรามก็เหมือนกับศาลาที่เปิดโล่งใครจะมาพักก็ได้เสรีชีวณิพกผู้ร้ายนักบวช คนแข็งแรงคนป่วยคนเป็นโรคคนพิการไม่สามารถจะกีดกันใครคนใดคนหนึ่งได้นั่นก็หมายความใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่จะมีแต่อารมณ์ดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นได้ความคิดลบความโกรธความเกลียด บางทีก็มีความคิดจ่วงจาบครูบาจารย์บางทีก็มีความอิจฉามีความสงบมีความฟุง้งซ่านให้ยอมรับมันซะมัน เ, เป็นธรรมดางั้นถ้าเราอนุ ญ, ญาตให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นเนี่ยเราก็จะยอมรับ ความเป็นจริงของใจได้ง่ายขึ้นจึงแม้ว่าเราจะมาปฏิบัติมาไกลจนถึงนี่เนี่ยก็อย่าไปคิดว่ามันจะมีแต่อารมณ์ดีๆเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆก็สามารถจะมาจะผ่านมาผ่านไปได้ทั้งนั้น ให้การเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนก็ดีกายก็ดีเนี่ยเหมือนกับศาลาที่พักคนเดินทางก็เป็นประมาณที่ดีนะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมาพักนี้ก็มาชั่วคราวอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นกับใจเรามันก็มาชั่วคราวมาแล้วก็ไปนั่นอย่าไปอย่าไปตีอกชกหัวนะเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมัน เมื่อเราพบมันมีอยู่ในใจการวิยารให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ทำให้เรายอมรับทุกอารมณ์นะที่เกิดขึ้นพอเรายอมรับได้เราก็ไม่หงุดหงิดหัวเสียไม่เกิดความทุกข์อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือนะการที่รู้จักรู้สื่อๆนะรู้สื่อๆเนี่ยในการเจริญสติเนี่ย สอนให้เราเนี่ยรู้จักวางใจเป็นคือรู้สื่ อ, อหรือว่ารู้เ ฉ, เ, ฉเฉยเมื่อมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันรู้แล้วมันก็ไม่สามารถจะเฉยได้รู้แล้วก็อยากจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นพอรู้ว่ามีความฟุ้งซ่านก็อยากจะไปกดข่มมันอยากจะไปตัดรอนมันอยากจะไปราวีกับมันนะซึ่งมันก็ทำให เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วที่ไปอยากจะไปทำราวีกับมันเพราะมันมีความคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจึงยอมรับมันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกนะรู้ซื่อๆเอาไว้นะไม่ใช่แค่รู้เฉยไม่ใช่แค่รู้แต่รู้แบบรู้ซื่อๆเลยรู้แบบไม่ตัดสิน มันจะช่วยเราได้มากนะไม่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับอาการของใจได้โดยไม่ก่อปฏจจิกิยาที่สร้างความทุกข์และต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้เรายอมรับอาการทางกายที่เกิดขึ้นได้ด้วยไม่ใช่แค่อาการทางจิตปวดเมื่อยก็ก็เห็นมันแล้วก็ รู้สื่อๆโดยที่ไม่ไปผักใส ย, ยอมรับมันได้บลอยครั้งเนี่ยนะเราทุกขกายไม่พอเราทุกใจดยเพราะใจมันยอมรับไม่ได้ยอมรับความปวดความเมื่อยไม่ได้ั้นถ้าเรารู้จักนะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้วนะ่มันช่วยได้เยอะเลยต่อไปเวลาเจอเหตุการณ์ที่ ย่ำแย่ที่ไม่ถูกใจหรือที่ทางภาวะอนิษฐารมเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเจอเหตุการณ์ในทางลบเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายเราก็สามารถจีวรักษาใจปกติได้ไม่ซ้ำเติมตัวเองเพราะยอมรับมันได้ เวลาเสียเงินเสียทรัพย์มันก็เสียแต่ทรัพยนะ์แต่ใจไม่เสียเพราะยอมรับมันได้ไม่โวยวายตีโพตีพายถึงเวลาเจ็บป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเพราะยอมรับได้ไม่ใช่ว่าโวยวายตีโพตีพายหรือครั่าคือว่าทำไมต้องเป็นชั้นชัุนดุสสาทำความดีมาชั้นดุสสาสร้างบุญสร้างบุศลมาทไมต้องเป็นชั้น เราจะไม่มีอาการแบบนี้ซึ่งเป็นการทำร้ายตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองเพราะเรารู้จักยอมรับมันได้จนถึงขั้นว่าออปฏิบัติแล้วมันไม่สงบอาก็ยอมรับได้ไม่โวยวายบางทีปฏิบัติแล้วเจ็บเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดความทุกข์ทุกข์กายไม่พอทุกข์ใจบางคนยอมรับไม่ได้ว่าทำไมฉันถึงทุกข์ใจอย่างนี้อุตส่าห์ปฏิบัติมา ผิดหวังตัวเองนะที่ทำไมถึงมีความทุกข์อย่างนี้นี่เพราะนี่เพราะยอมรับตัวเองไม่ได้ยอมรับความเจ็บปวดทางกายไม่พอยอมรับความหงุดหงิดทางใจไม่ได้เพราะว่าชอนุสา์ปฏิบัติมาทำไมมันถึงช่วยฉันไม่ได้ก็กลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนธรรมดาเพราะคนธรรมดาก็เจอแค่สองเดนคือยอมรับความทุกข์ทางกายไม่ได้กยอมรับความทุกข์ทางใจ ก็เลยเกิดความทุกข์ทางใจแต่นักปฏิบัตินี่ที่ยอมรับความทุกข์ทางใจไม่ได้เพราะว่าอุตสาหปฏิบัติมาต้องนานทำไมฉันก็ยั ง, กยงโกรธอยู่ทำไมฉันก็ยังหงุดหงิดนะทไมฉันยังทุกข์ทรมานอยู่ก็กลายเป็นโทษตัวเองโทษการปฏิบัติหนักก็ประหยัมนั่นฝึกใจให้ยอมรับมันได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิชาสาคัญเลยนะแล้วก็เป็น คุณปรปการที่มีค่ามากที่เราจะได้จากการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องหรือวางใจได้ถูกต้อง